เมื่อวานนี้สมาธิจบแล้ว เพรทั่วกระจายกระจายกระจายกระจายทั่วทไปแล้วคำว่าอัญญสมานะความหมายก็คือเป็นกลุ่มเจตสิกธรรมที่มันเข้าได้ทั้งสองว่าใมถ้าเปิดพูดถึงว่ารากศัพว์ของคำซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันอัญญาเนี่ยมันเหมือนไม้ไม้ขาย่างสามขา ที่มันคำ้ำถ้าถอดอันใด ห, หนึ่งมันลม้มมันคำว่าซึ่งกันแลกันต้องอาศัยซึ่งกันต้องอาศัยซึ่งกันแล้วกันสกันแล้กันแต่อันนี้ก็จายกระจายคือทั่วทัวไปเรียบอะทััว อยากจะพูดถึงในเรื่องของให้เข้าใจสองวัาฏะนะนไปจับองค์ธรรมไม่เห็นแต่มากถ้าเราได้เห็นองค์ธรรมหเห็นสภาวะธรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะได้มีความเข้าใจในเรื่องของโดยเฉพาะในชีวิตของพวกเราที่การเข้าถึงพุทธธรรมสังฆาโดยตรงเนี่ยโดยตรงก็คือการเข้าถึงความดับทุกข์ การจะเข้าถึงความดับทุกข์ได้ก็คือต้องรู้แจ้งด้วยปัญญาที่ชัดแจ้งด้วยการเข้าถึงวัฏจภานในคำหนึ่งในพุทธพจน์ ท, ที่บอกมกคานรถะคิโกเศธโทสัจจานังชัตุโรปรทาวิราโคเศธโธดัมานังทิปปานันจาจาจักขุมาบอกว่าบัรดามรค มักมีองแปดนั้นเนี่ยในบรรดามักหรือในบรรดาทางทั้งหลายเนี่ยมักที่มีองแปดนั้นประเสริฐที่สุดด้บรดาสัจจะไม่ว่าจะเป็นวจีสัจจะเป็นสัจจะอะไรก็แล้วแต่อริยสัจจะสี่นั้นประเสริฐที่สุดไดบรรดาธรรมทั้งหลายก็เวลาค่ธรรมธรรมที่สิ้นจักราฆานี่ประเสริฐที่สุดไดบรรดาสัตว์สองท้าก็พระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาจักสูตนั้นประเสริฐสุด วิราคธรรมก็คือพระนิพพานผู้มีจักสุกกะหมายมทุกมีปัญญาที่รู้แจ้งวิราคธรรมก็คือเห็นพระนิพพานใช่ไหมว่าเราจะเรียนรู้เรื่องสารณะเนี่ยสารณะศัพท์นั้นเนี่ยมาจากคำว่าสาระธาตุลงยุปปัจจัยอาเทศคือแปลงยุเป็นอนะก็แปลงนะเป็นแปลงนอหนูเป็นนเนนก็เลยเป็นสรณะสอเสือรอเรือนอเนนที่จริงอันแรกมันเป็น มันมาจากคําอัณ น, นะก็แปลงนอนหนูตามรูปของไวยากรณ์เขาอาเทศก็คือเอาออกไปก็เป็นเปลี่ยนเป็นนอเนเรนแทนแล้วเขียนเป็นสารณะนั้นคําว่าสารณะเนี่ย ม, มีความหมายอยู่สี่อย่างมาจากคาว่าวัฏทะแปลว่าค่าอะการค่าคาหาแปลว่าที่พรักอาศัยรักขิตะหรือรักขิตะก็สิ่งที่ป้องการคุ้มครองหรือที่พึ่ง รักขนาดแปลว่ารักษาคุ้มครองทีนี้สารณะในไตรสารณคมเนี่ยก็หมายว่าสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองหรือสิ่งที่เป็นที่พึ่งหรือว่าสิ่งที่เบียดเบียนและขจัดออกในอัจฉริยของคำพีมัจฉิมณิกายก็บอกสารณะในไตรสารณคมเนี่ยมาจากว่าหิงสตีติสารนางชื่อว่าสารณะเพราะอาจจะ เ, เบียดเบียนคําว่าสารณะนี้แปลว่าเบียดเบียน แต่ว่าเบียดเบียนอะไรยังธรรมชาติต่างธรรมชาติใดหญิงสติย่อมเบียดเบียนฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสาระทีนี้ว่าธรรมชาติที่ชื่อสาระเพราะเบียดเบียนนําคือย่อมนําออกโดยไม่เหลือนําอะไรออกนําภัยนําความสะดุ้งกลัวนําความทุกข์นำความลําบากนําทุกคติ นำสิ่งที่เศร้าหมองให้ออกไปจากกระแสชีวิตนี่คือสาระเยัดชาไหงเนี่ยฉะนั้นกิริยาที่ถึงสาระแห่งชนทั้งหลายพูดถึงซึ่งสาระอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็จะสามารถเหมือนคำว่าพุทธังสารณังคัดฉามนี้คัดฉามนี่เป็นกิริยาเป็นอาการก็แปลว่าการไปการถึงก็ได้คัดฉามนการไป การไปการกิริยาที่น้อมไปน้อมไปเพื่ออะไรน้อมไปเพื่อเข้าไปฟังไปศึกษาเป็นเรียนรู้นะแปลว่ารู้แปลว่าเข้าใจเลยนะศึกษาเรียนรู้ก็ย่ีเกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะได้ดเา เ, ดเนินถูกปฏิบัติถูกเมื่อดําเนินถูกปฏิบัติถูกตามพุทธธรรมะสังฆะปุ๊บ ก, ก็ขจัด ก, ก็นําภัยออกจากกระแสชีวิตได้นําความสะดุ้งกลัวออกได้ ถ้ายังนําภัยนําความสะดุ้งกลัวนาความทุกข์นำความลำบากนําทุกข์ขินําความเศร้าหมองออกไม่ได้แปลว่าท่านเวนนั้นยังไม่ถึงสารณะฉะนั้นการจะถึงสารณะต้องนำสิ่งเหล่านี้ออกตอนนี้ออกได้บ้างยังความกลัวออกไหมยังออกแล้วนีะความกลัวความสะดุง้งความวิตกกังวลออกไหมยังได้สรุปก็คือว่ามีนำพวกนี้น นี่นำพวกนี้ออกถ้าออกได้ยังเด็ดขาดเนี่ยเป็นโลกุตระตรานาคมถ้าออกได้เป็นค้างค้งค้ ง, ง, งชัว่วขาวช่วาวเป็นโลเกียถ้าเดี๋ยไมนให้นํำพวกนี้ออกเริ่มจะเห็นฉะนั้นในคำเวลาอธิบายตรงนี้มันหนึงยากในดีกาท่านขยายว่าคำว่าภัยได้แก่ภัยในวัฏฏะ ชาติภัยชราภัยพยาธิภัยมรณะภัยความโศกความลําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคัแย้งใจความสะดุ้งได้แก่ความหวาดสะดุ้งแห่งจิตละเจีสิทพราจิตเหล่านี้เกิดมันสะดุ้งไหมล่ะสะดุ้งไหมใช่เนลักษณะนี้ต้องนําสิ่งเหล่านี้ออกจากใจข้อส่วนลจิตทั้งสิบสอใช่แล้วก็ให้นี้เกิดแให้บริหารข้อลจิตได้เกิด นำความทุกคําว่าทุกได้แก่ทุกกายทีเราต้องเรียนว่าใจเกิดอยทุกอย่างส่วนทุกขติก็คืออบายทุกขติวิธิบัติหรือความเศร้หมองก็ทุกทั้งหมดที่นับเนื่องอยู่ในทุกขติความเศร้หมองในทุกขติความเบียดเบียนการเข้าไปได้รับความเดือดร้อนทีนี้ในคำว่าพุทธสัธรรมมารสังฆ่เนี่ยพุทธเป็นจารณะเพราะย่อมเบียดเบียนก็คือกําจัดนําออกสิ้นไป เพื่ความกลัวของสัตว์ทั้งหลายเวลาเราเข้าถึงพุทธะเข้าถึงปัญญาตัดสรู้อริยสัจสี่ได้ม <c oughs> ีเข้าถึงพุทธะคนนี้ด้วยการถ้าเราเข้าถึงคําสอนวจิจ้ามีความเชื่อมั่นในคําสอนวจิจ่าปุ๊บมีความ ก, วกล้าหาาญมีสติมีสมาธิมีปัญญาพบ ก็พระพุทธเจ้าเนี่ยยังสัตว์ทั้งหลายให้ประพฤติในทางที่เป็นประโยชน์ชคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็กลับให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติปฏิบัติในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดคึูจากการฆ่าสัตว์ตดยไมดด้วยการฆ่ า, านี่ไงนำภัยออกแล้วการฆ่าเป็นภัยเบยดเบียน แากการลักจากการบุปผิดในาทางต้นฉะนั้นกรณีอย่างนี้ก็คือว่าให้เห็นโทษของการฆ่าเห็นคุณของการไม่เป็ น, นการฆ่าแล้วเราก็เลยดําเนินตามพุทธตํบาบากที่เราดําเนินตามพุทธตําบากเหมือนเราก็เสือผสมตนเองเนี่ยออกจากภายัยออกจากอันตรายได้เนี่พุทธะนี่ช่วยเราอย่างนี้ควรขวายเราออกจากภายัยออกจากอันตรายอย่างนี้ ส่วนธรรมะเป็นจารณาพอย่อมเบียดเบียนคือกําจัดนําออกซึ่งภัยคือความโกรองสัตว์ทั้งหลายโดยการทําให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยข้ามพ้นจากกันดางคือพบนี่ธรรมะในหมายเรยงโลกุตตรามัชฌิตร์คือมัชฌิตรใช่ไอตัวมัชฌิตรเหลานี้เวลาประชุมได้ปุ๊บเนี่ยจะทําให้เราออกจากพบเช่นถ้าเป็นพระโสะดาบัน โซดาปฏิมาถ้าจิตหนึ่งนะเราก็ไม่เราก็ออกจากสัตว์นรกสัตวาา์เดรัจฉานไปแตสุรกายออกจากภัยคือกันดานคือพบไม่ออกไหมถ้าเป็นพัสกาธาคาจะ เ, เป็นเป็นพัสเป็นพสกาธาคาก็มามนุษย์อีกเทียมชาติเดียวอีกนี้เป็นต้นนะี่ เป็นป้านาคาก็ไม่มาในการประพรมแล้วพอบรุดไปหมดเลยถ้าเป็นป้าอาหารหมดเลยนี่นำออกจากไทยคือพบ ก, กันดานคือพบส่วนธรรมะคือพระนิพานพานพรนิพพานย่อมเบียดเบีย น, ยนกําจัดนําออกซึ่งความกลัวของสัตว์ทั้งหลายโดยการทําให้สัตว์ทั้งหลายให้ได้เฉพาะผลที่ไปบุญก็คือว่า ด้วยการให้ได้เกิดความยินดีในธรรมะคือสภาพที่ดับทุกข์ถามว่าเวลาเข้าถึงพระนิพพานแปลว่าขันห้าหมดหรืยนั่นแหละเป็นสารณะเป็นสารณะเพราะว่าทำให้สัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงความยินดีในธรรมะก็คือสภาพที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงคือธรรมะเป็นทั้งมัคิตและเป็นพระนิพพานใช่ ธรรมะจริงๆมีทั้งมรรคสผล4ี่นิพพานส่ว น, น, นสังขานีเบียดเบียนกําจัดนําออกซึ่งภัยคือความโกรธของสัตว์ทั้งหลายก็คือว่าด้วยการทําให้สัตว์ทั้งหลายได้เฉพาะซึ่งผลในไตรภูมก็คือหนึ่งได้หลักเราจะดําเนินตามท่านอย่างนั้นเมื่อดําเนินตามท่านแล้วก็เข้าถึงผลในไตบภูมิด้วยและเราได้สักการะบูชาท่านฟังคําของท่านที่ท่านฟังมาจากคาสอนพระเจ้าและปฏิบัติตามท่านาเราก็จะได้เข้าถึง ธรรมะแล้วก็เข้าถึงความดับทุกข์ตด้เป็นต้นเลยรวมความก็คือพุทธธรรมะสัง้านที่เป็นสารณะเพราะเบียดเบียนนำออกซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลายก็คือทำให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏทั้งในระดับที่ป้องกันไม่ให้ตกอบายภูมิ เ, เช่นถ้าหากเรายังได้กุศลเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่นอกัญญัรัตนใจเราก็พ้นจากม ก็ไปในพบภูมิที่ดีอย่างนี้เป็นต้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าสารณาเนียหมายถึงทั้งพุธทธธรรมะและสังคารเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าคําว่าคัดฉามิเนี่ยพุทธทางสารณะคัดฉามคาว่าคัดฉามิเป็นกริยามันจะคำว่าคัมมาธา แปลว่าการไปการถึงคําว่าคัตฉามีในบทเตรสดงนะคงแปลว่ารู้ด้วยแปลว่ารู้แปลว่าเข้าใจด้วยก็หมายความว่าแปลว่ากริยาที่บอกว่าแปลวไปแปลว่าถึงเนี่ยแสดงนะถึงกริยาที่น้องเข้าไปหาซึ่งไม่ใช่เป็นการเข้าไปแสวงหาด้วยการเอามาเป็นที่พึ่ง ชนิดที่อิทธิปาฏิหารได้โดยมรดานแต่น้องเข้าไปศึกษาก็คือไปเจริญตามศีลสมาธิและปัญญานี่สิกขาตัวเนี้ยน้องเข้าไปปฏิบัติตามความตัดสุ้สัมมาสัมพุทธะของพระพุทธเจ้าโดยจุดมุ่งหมายคือเพื่อความดับทุกข์ถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าขัตชานี้แล้วก็ยังแปลว่ารู้และเข้าใจนี่หมายถึงการ ความหมายที่ลึกซึ้งก็แสดงถึงสิ่งที่เป็นผลจากการศึกษาปฏิบัติก็และได้รับผลของการศึกษาปฏิบัติจึงรู้จึงเข้าใจด้วยนั้นพุทธะธรรมสังฆะจึงเป็นที่พึ่งเพื่อความค้นภัยและดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะัการไปการถึงแล้วก็รู้เข้าใจเนี่ยแสดงถึงอะไรเนี่ยแสดงถึงพุทธะธรรมสังฆะนี่เป็นสภาวะประมัตร์นี่ยซึ่งมันเข้าถึงได้ยากใช่ไหม เป็นสภาวัปปรมะเนี่ยเป็นสารณะที่เป็นที่พึ่งที่ขจัดภัยถามว่าจะเป็นที่พึ่งที่ขจัดภัยให้แก่เราสัตว์ตอนไหนตอนที่สัตว์ได้เข้าไปเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติทำศีลให้เกิดขึ้นพฤติกรรมที่เป็นไปกับศีลจิตเป็นไปกับสมาธิทัศนคความเห็นที่เป็นไปกับปัญญากรณีอย่างนี้เรียกว่าได้ที่พึ่ง พอตอนนั้นกิเลสสงบระงับถ้ากิเลสสงบระงับได้ได้เท่าไหร่ก็สิ้นความสะดุ้งความกลัวความทุกข์ต่างๆได้เท่านั้นมองเห็นไหมมันอยู่ที่การเข้าถึงแต่ละบุคคลไม่เท่ากันถ้าเราเข้าถึงได้มากเท่าไหร่ได้นานเท่าไหร่ยกตัวอย่างโรกคยาสรัตทำกุศลกิจให้เกิดขึ้นนานเท่าไหร่แล้วก็ มีพระะาชนะไตรเป็นหลักในการดําเนินชีวิตมากเท่าไหร่นั่นแหละคิอว่าการเข้าถึงสารนคมก็ได้เท่านั้นตามสมควรแก่บุคคลที่จะเข้าถึงตามควารมรู้ตามความเข้าใจใช่ไหมนี่ประเด็นก็คือว่าสารณาคมมีสองโลกียะสารนคมกับโลกุตระสารนคมการถึงไตรสารนคมโดยมีพุทธเจ้าประทับพระสงค์เป็นอารมณ์ อ้าสมมุติอกุศลเนี่ย ส, สามารถคิดถึงพระเจ้าได้ไหมไมีพริญาติเป็นอารมณ์ได้ไ้ยไม่ได้มีพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์ได้ก็คิดถึงได้แต่เขาเขาเขาไม่เข้าใจเช่นเราเข้าไปอ้อนวอนเช่นไปไหว้พระโดยมีโมหะก็คิดถึงแต่ว่าเข้าถึงไม่ได้คิดถึงได้แต่เข้าถึงไม่ได้ตอนนี้ตัวสภาวะของสารนะ ในกอธิบายเป็นี้คือการถึงสารณคมที่เป็นโลกียาเนี่ยมันเข้าถึงโดยมีการมีพ ร, ระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์มีพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณเป็นอารมณ์ใช่ไหมตัวนี้เจตสิกเจตเจตสิกมหาคุณสตัวแรกของมหาคุณสทั้งหมดทั้งหมดของมหาคุณสแต่มีสองส่วนที่เป็ญาณนอะสมัมวยจตญาณวิปุจจะ เอาที่นี้ว่าไอ้ตัวการเข้าถึงไตาสารนาคมในระดับโลกียะเนี่ยมันจริงเข้าถึงได้ด้วยกาด้วยมหาคุศและจิต8เรียกกาเมอจรนุศสที่ประกอบไปด้วยปัญญาและที่เป็นญาณนสามยุทธและที่เป็นญาณะวิประยุทธสมณะสสาคกตังญาณสามยุทธตังอสังกาธิการจิตที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยปัญญาอันนี้ก็โสมนัสสากระตังญาณะสัมยุตตังสังขาริการจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยปัญญาอุเปกขาสากรตังญาณะสัมยุตตังสังขารดิการจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยปัญญาอุเปกขาสากรตังญานะสัมยุตตัง จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการแย่งชวนพร้อมด้วยความเฉยเ ฉ, ย, ฉยประกอบด้วยปัญญาใน4ี่เนี่ยอันนี้เป็นหมหาข้อสนยาณสามประยชน์ที่ในขณะที่มีศรัทธามีเจตนามีปัญญามีเกียรติจำลองจงใจตั้งใจที่จะรเลิกถึงคุณของพระเจ้าแล้วก็มีความเชื่อมั่นในคุนของพระเจ้าถ้าทําประสงค์และมีปัญญารู้และเข้าใจคนของพระเจ้าข้ปัญญาสามประโยชนย์ทั้งที่เป็น ปลาโมดปีติสุขสมานักับที่เป็นอุเบกขาไม่มีปีติแต่เป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนแต่มีปัญญาในขณนะนั้นน่ะชื่อว่าเป็นโลกียะสารณคมเพราะมี阿拉หังเป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้ผมีกลจากกิเลส ท, ที่รู้และเข้าใจได้แล้วเพราะมีปัญญาประกอบพระเจ้าไกลจากราคะไกลจากโทสะพู้พทธเจ้าไม่มีอกุปสรรคจิตประกอบแล้วไม่มีอุปสรรจรสายเกิดร่วมแล้ว แต่เรายังเป็นผู้มีอคุสเสลจิตมีอคุสเสลเจนสิกเกิดอยู่เราก็จะฝึกตนเองให้ปราศจากอคุสเลจิตอคุสเสลเจนสิกอย่างพระพุทธเจ้าเป็นพุทธะตามพระสาวมาสอนพระุทธเจ้าไม่ได้นี่นะการที่รู้และเข้าใจอย่างนี้อย่างถ่องแท้แล้วมุ่งมั่นตั้งมั่นมีเจตจำนงมีศรัทธาเชื่อมั่นมีความเพียรแก้วกล้าในี้มีวิริยะนี่มีความเพียรที่แก้วกล้ามีความเชื่อมั่นมีสติสตินี้เนี่ยนะ และลึกได้เนี่ยในคุณของพระุทเจ้ามีสมาธิคือความตั้งมัน่นมีปัญญาโอโ้โหมีทั้งกายยปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิกายะและหูตาจิตตะและหูตากายยะมุตุกายยะมุตุตาจิตตะมุตุตากายะกรรมยตาจิตตะกรรมยตากายยะปะกุยตาจิตตะปะคุยตากายยุตุคุยตาจิตยุตุกยุยตานี่มีทั้งความสงบมีทั้งความเบามีทั้งความอ่อนมีทั้งความควรมีทั้งความคล่องแคล่วมีทั้งความซื่อตรงของจิต ในการระลึกถึงคนของพระพุทเจ้าเนี่นะไอ้ตรง น, นี้เนี่ยป็นยาณสมยุตมีปัญญาและในขณะเดียวกันถ้าเป็นยาณวิปยุตมหาคุลยาณวิปยุตในขณะนั้นมีทั้งความมีความเชื่อมั่นมีสตินะแล้วก็มีสมาธิมีความกล้ากล้ามีความมุ่งมั่นไหมมีแต่ตอนนั้นน่ยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่เกิดอาจจะเกิดคล้อยตามตามที่เคยได้ข้อมูลมาจําได้ สัญญาจำได้คิดได้นะแต่ไม่ถึงขนาดทะลุทะลวงจนรู้สึกโอ้โหเห็นสว่างแจ้งใช่ไหมเนี่ยนี่เลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าโลกิยะทีนี้ในระดับกุศลจิตุบาทในขณะดกุศลและจิตเกิดขึ้นแต่ละดวงเนี่ยเาเรียกกุศลจิตตุปบาทคือมีทั้งจิตและเจตสิกเกิดขึ้นที่มีคุณของพระริจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์นี่กเรียกกุศลจิตุบาทเข้าใจใช่หคือเฉพาะกุศล การเกิดขึ้นของกุศลจิตและกุศลเจตสิกเวทนาขันธ์สัญญาขารสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเงยเพระาพะภาษาภาคเรียกกุศลจิตตุปปาฏิ์อันปราศจากกิเลสไม่มีเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่มีโลภโสามมหาะเลยไม่มีความเศร้ามองเป็นไปด้วยาการก็คือเอาคุณของพระรัตนตรัยให้เป็นไปเบื้องหน้า ด้วยเจตนาตั้งมั่นด้วยศรัทธาเชื่อมั่นด้วยปัญญารู้แล้วเกิดสมณะในคุณของพระเจ้ากุศลจิตตูบาทเนี่ยก็เป็นไตรสารนคมเหมือนกันนะใช่ไ้มกุศลจิตบาทเนี่ยมีไตรสารนคมมีการเข้าถึงคุณของพระเจ้านะเป็นอารมณ์มองเห็นหรือยังคำอเนะนี้แปลว่าการไปการถึงนี่ถึงอย่างเนี่ยเข้าถึงทีนี้ การไปการถึงเนี่ยนิสหากุสนญาณสัมปยุตที่มีท่านเป็นหมาปุสนยานะสัมปยุตเนี่ยจะมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องและมีศรัทธาเป็นมูลเป็นประธานเป็นต้นสัมมาทิฏฐิในที่นี้เป็นการเห็นความเป็นเห็นความตัสรูดีของพระริเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมความเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีของพระสงฆ์โดยชอบนี่นะด้วยปัญญาด้วยอํานาจพูด ที่เป็นโลกีย่าเนี่ยสัมมาทิฏฐิในที่เนี้ยในอคําสอนท่านหมายถึงเป็นทิฏฐุชุกกรรมเป็นการทําความเห็นที่ตรงเป็นทิฏฐิที่ถูกตรงในคุณของพระพุทธเจ้าลองเห็นไหมแม้เป็นยานวิปยุทธท่านก็ยังจัดว่าเป็นความเห็นยังก็ตรงอยู่ถ้ามันได้ได้รับบุคาและจากมาอุสุนบางทีมันสลับกันอยู่แลานที่ความ ความเข้าใจมันได้เกิด ต, ะ ต, ะตะลอดทีนี้ไตราสารนคมที่เกิดจากหมากรศอยานวิปยุทธ์เนี่ยที่เป็นไปในบุญกิยลสถูกเนี่ยศรัตธานั้นช่วยน้อมจิตให้ตรงไปในการเคารพพระรัตนไตรด้วยเหตุนั้นแม้จะทำการกราบไหว้พระรัตนาตรยตามประเพณีนนหรือตามที่ผู้บอก ในคำพี่บอกว่าเป็นทิศถูชุกกรรมเหมือนกันเป็นการทาความเห็นใ้ตรงเหมือนกันก็คือว่าเป็นการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าประเด็นดีตรงนี้ว่านี่เราจับองค์ธรรมได้เลยนะว่าการที่จะเป็นโลกียะสระนคมสภาพจิตตอนนั้นต้องเป็นกุศลวิญญาณขาคารต้องเป็นกุศลแจิตเวทนาขันก็ต้องเป็นเกิดร่วม สวยสัญญาขันคือจาสังขารลขันปรุงแต่งในทางที่ดีมีสติมีศรัทธาเป็นต้นนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขั น, ขนวิญญาณขันนามขันสิทธิ์ที่เกิดขึ้นลักษณะของโลกยสะสาธะคมนะท่านบอกว่าบุคคลการทำความเห็นในตรงในคุณของพระาราชนไตรัยเนี่ยก็เป็นข้อหนึ่งในบุญของกิริยาวัตถุก็คือเป็น คิดถูกชั่ ก, ก ร, รมเป็นการทำความอยู่ในตรงแล้วในคำสอนบอกท่าบุคคลที่โฉดเขาไม่รู้จักคุณของพระราชนตรัยรู้แต่ว่าเวลาเขาไหว้ก็ไหว้บ้างเขารับสรารณาคมก็รับบ้างเพราะถูกตักเตียนให้ไหว้พระก็ไหว้รับสานคมบุคคลที่ไหว้ด้วยการอย่างเนี้ถามว่าเป็นการเข้าถึงไตรสรารนาคมหรือไม่ถึง เขาบว่าบุคคลที่โฉดเขาดังกล่าวเห็นเขาไหว้พระก็ไหว้เห็นเขารับไตรสรนคมก็วัดก็รับสอนให้ทำตามก็ทำด้วยศรัทธาก็ชื่อว่าได้รักษาไตรสรนคมแต่เป็นการรักษาไตรสรนคมที่เป็นยานวิปิได้บุญน้อยเพราะไม่ประกอบไปด้วยปัญญา คือไม่รู้ไม่เข้าใจในคุณของพระราชน้าใจใช่ไหม <Okay. S 1> เพราะว่ากุศลแลจิตแต่ถ้าหากว่าเป็นอัคคุศลอ่าต้องมีการหลอกล่ออะไรก็แล้วแต่ให้ไหว้ให้อะไรต่างก็แล้วแต่แต่ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยมันจะเป็นอัคคุศลนี่เป็นโลกียะสารนคมเมื่อถ้าเราเริ่มเข้าใจอย่างนี้พอถึงว่าโลกียะสารนคมนี่เริ่มเข้าใจว่า จะต้องตั้งกุศลวิจิตให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแต่แต่ก่อนเรามองหาไม่เห็นใช่ไมว่าเอ้ยจะตั้งยังไงอันนี้พอิเริ่มเห็นนี่ทีนี้ตลองกุตตะาตระานาคผม ม, มายถึงร ต, ตัวนี้ตัวหมายถึงมรรคจิตแล้วมรรคจิตมิตกรกวิจายลปีติสุขาเอกตาเสตธร ปัมะชานะโสดาปิมกักคจิตตังสกาธาคามีมักขจิตังนาคาอะไรกระแปดตัง น, นี่โลกุตระสารกมมีปัญญาผิดประทานในขณะที่มรรคยานเกิดขึ้นเขามีนิพพานเบลลลงรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเลยเนี่ยทกสมุทัยนิโรธแล้วก็ดำเนินถึงความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงโลกุตระมัชมีโสดาสมีโสดาปิมักขจิตสกาธ า, า, า, าคามีมักขจิตนาคามักขจิตอรัตมะนี่เป็นกุศลจิตฝ่ายโลกุตระ นี่เป็นโลกุตระสรารนาคมนี่เห็นชัดแล้วนะพอบอกโลกุตระสรารนาคมเราก็เรื่อเข้าใจชัดสรุปแล้วคือจิตที่เข้าถึงสรารณาคมเนี่ยต้องถ้ากุศลจิตเกิดจริงแต่ไม่มีคุณของพระเจ้าเป็นอารมณ์ไม่มีคุณของวัฏธรรมไม่มีคุณของปัจจัยสองเป็นอารมณ์ในขณะนั้นไม่เรียกว่าถึงไตรสรารนคมเป็นกุศลไปทําอย่างอื่นทํำอะไรเนี่ยเข้าใจยังฉะนั้นสนรุปแล้วนี่แป่ แล้วท่านี้อีกเท่าไหร่มัคคิสอีกสี่บะยอดสี่ก็เป็นเป็นแปดหรือเท่าไหร่เท่าไหร่เดิมแปดเดิมแปดก็เป็นสิบสิบหกเป็นสิบเป็นสิบสองแปดกับสี่แปดกัสี่เป็นสิบสองแล้วถ้ายี่สิบก็เป็นยี่สิบแปดยี่สิดสิบสองหรือยี่สิบแปด การมาวจจะรากุศลจิต8แล้วก็รอปุตตราจิตแปดหรือสี่หรือสี่หรือยี่สิบนั้นเป็นจิตที่มีไตรสารณคมอย่างแท้จริงด้วยเหตุนั้นท่านจึงบอกว่าสารณคมสารณคมเนี่ยโดยสภาวะประมัตแห่งจิตสารณคมก็คือนี่แหละคือตัวนี้กุศลจิต8มคจิตสี่หรือยี่สิบนี่ที่ไม่มีกิเลสเข้ารุมเราเ้าในขณะนั้น นัจิตวบาจิตเจสิกอันอันไม่มีกิเลสตอนนั้นมีความเลื่อมใสในคุณของพระเจ้าและมีความเคารพในสารณคมที่เป็นไปในเบื้องหน้าที่ได้ขจัดอะไรขจัดกิเลสออกไปจากใจแล้วตรงนี้จิตวบาจ ต, ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นหมายถึงจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยสมยุตมีอะไรประกอบปัญญาใช่ไหมจิตที่มีปัญญาประกอบมีศรัท ธ, ธาประกอบอุเบกีกลุ่มกุศลทั้งหลาย จะบอกมีศรัทธาเป็นประธานมีปัญญาเป็นประธานมีเจตนาเป็นประธานในขณะที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นลักษณะนี้นะกิเลสหมายถึงอะไรที่เป็นตัวเป็นอุปสรรควิจิกิจฉาความลังเลสงสัยใช่ไหมในคนของพระาราตนตรัยโมหะความหลงความไม่มีศรัทธาเป็นต้นอะไรเนี้ยเกิดขึ้นความเรื่มใสในพระาราตนตรัย พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระรหันเป็นผู้ไกลจากกิเลสทำเป็นพระธรรมเป็นตามที่พุทธเจ้าตรัดไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นอะไเนี่ยการที่รู้และเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นว่ามีพระพุทธมีพุทธธรรมะสังฆะเป็นไปในเบื้องหน้านี่คืออะไรเป็นครื่องนำทางเป็นคติก็ได้เป็นทางดําเนินก็ได้เข้าใจยังไงเป็นหลักเลยคำมณะคือการเข้าไปครบ ศาสนาคมในที่มาจากคําว่าคมนะคมเนี่ยมีคอควายมอมะนอนนอนหนูกลานเขาคำมณะเนี่ยหมายถึงการเข้าไปคบเข้าไปใกล้หมายถึงความรู้และความเข้าใจด้วยคมณ ะ, รณะครบับนะคบใกล้สุดก็คือศาสนาคมก็คือว่าหรือสาสนา สานนคมานาหรือสานนคมก็คือจิตบุบบาทก็คือหมาพุชนจิตแปมรคจิตสี่หรือยีนี่แหละที่จิตเจสิที่มีศรัทธาความเลื่อมใสความเคารพในพระตาชนรัยเป็นทางดําเนินมีทั้งศรัทธาปัญญาเป็นต้นศรัทธาความเลื่อมใสความเคารพในพระรานทรัยที่ทําหน้าที่กําจัดอะไรศรัทธาก็กําจัดความลังเลสงสัยเป็นต้นเหล่านี้ ตอนนั้นความเพียรก็กําจัดอะไร้กโกสัจฉะสติก็กําจัดมุตตสติคือการหลงลืมสติสมาธิก็กําจัดความพุ่งสร้างปัญญาก็กําจัดความหลงความโง่นั่ยแหละเนี่ยไอตัวเนี้เกิดขึ้นมาลักษณะที่มีร า, รารตนาไตรเป็นหลักเป็นทางดําเนินอย่างนี้เป็นต้นกําจัดความไม่มีสถาเป็นต้นนี่เห็นแล้วนะ นั้นโลกียสารณคมจึงเป็นหมายถึงตัวกุศลและิตนี้พิเกเดสิกนี้แหละและความเคารพในพระรัตนใจนั้นหมายตัวมหากุศลเลยมีคุณของพระรัตนใจเป็นอารมณ์ทําหน้าที่อะไรประหารคือความสงสัยในคุณของพระเจ้าสงสัยในคุณของพระธรรมสงสัยในคุณของพระสงฆ์ตอนนี้หมดที่ยัง ยังมีอยู่เป่าแต่มันกลับมาอยังลังเลไหมความลังเลยังมีอยู่ไหมไม่ไม่มีลังเลเลยหรืเนี่ยยังมีอยู่ไหมนี้ป่ายังเอาไว้อยู่ทีนี้เวลามหาสุนเกิดขึ้น เป็นการเป็นการละความลังเลสงสัยถ้าศรัทธาเกิดขึ้นในนี้ละความลังเลสงสัยได้ละแบบไหนเราได้ระดับในการละแบบประทังค่ชั่วขณะหรือละโดยการข่มไว้เคยได้อุปจาระอย่างเวลราเ ล, ล, ลือกถึงอุปจาได้ยังนิวรณหายเลยยังมีนิวรณอยู่ไหม กามฉันท่พยาบาททีนะมิท้าอุทจารกุกุจาวิจิกิชาถ้าในช่วงที่ระลึกก็ไม่มีถ้าในช่วงที่ที่อยู่ในช่วงที่กําลังระลึกอยู่ม <c oughs> ไม่มีในวอดแต่พอออกจากช่วงนั้นแล้วก็มีอย่างนี้แปลว่าถ้าทางค้าดึงตามว่ากดทัด้อ่าถ้าในขณะที่ระลึกเนี่ย ในขณะที่ระลึกก็ไม่มีเพราอไม่ได้ระลึ ก, กล็ร่กลับมาอันนี้ก็เลยกระทางค้าแต่ถ้าถ้าโดยการข่มไว้เนี่ยแม้ไม่ได้ระลึกตอนนั้นกิเลสก็ไม่ครับใจผ่องใสดังนั้นเขาบอกว่าความที่มีศรัทธานในพระราชนัดตราติบิณฑลเหล่าเนี้เขาเรียกว่าด้วยอำนาถึงกรทงังก็ประหารคือละกิเลส ที่มาขัดขวางในการเข้าถึงไตสรสาณนคมถึงแม้ยังไม่ได้ตัดขาดยังเด็ดขาดแต่การที่มีความแข็งแรงมั่นคงยึงติดต่อและต่อหนึ่งนี่แหละจะดำเนินไปสู่การมการข่มและการตัดขาดในที่ตัดขาดกิเลสในที่สุดซึ่งผิดกับโลกุตตราจารนาคมมรรคจิตสโลดาปิฎมากสกัทาคลายมากนะรกานอัลอัทธมีไอตรงนี้แปลว่าตัดขาดหนะ เขาเรื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงเป็นอัจฉริสัทธาเป็นสัทธาที่ไม่วัน่นวายแล้วอันนั้นขาดเลยใช่สักยะทิฏฐิวิจิกริช้าสีราศาศาักษตรปราโนที่ เ, เป็นตัดขาดเลยว่ามันก็คือว่าตัดตัดเหตุและความเศร้าหมองในการไม่เลื่อมใสไม่เครารพในพระรัตนตรัยได้ยืนเด็ดขาดเพราะจิตได้สัมผัสพระนิพานเป็นอารามณ์ทําให้แจ้งซึ่งอริยะไสยฐานทั้งสีก็รู้ชัดในทุกแล้วก็เหตุให้เกิดทุกความแบบทุกข้อปฏิบัติได้ข้าุความแบบทุกข์ อันนี้แปลว่าที่พุทธิยถาบอกผู้ไดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราเนี่ยตรงนี้เห็นธรรมอยู่ตรงนี้เห็นธรรมก็คือเห็นพระนิพพานใครเห็นพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่ อ, อไหร่ชื่อว่าเห็นเราคือว่าต ถ, ถาคตหมดความรังเลยสงสัยไหมฉะนั้นบุคคลที่บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยโลกุตราสรารณาคมเนี่ยได้ในขณะจิตเดียวเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยประหารวิจิกิจฉาและบาปประทรมต่างๆ ที่เป็นเหตุแห่งความไม่ vinegar, เลื่อมใสไม่เคารพในพระราชนัยเกลี้ยงเลยหมดอีกเลยแล้วความไม่ความไม่เลื่อมใสความไม่เคารพในพระราธนัดใจจะไม่กลับมาเกิดในกระแสชีวิตของท่านคนนั้นอีกเลยนับตั้งแต่โสดาปันิมาเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงซึ่งอนุปาฏฐานปณิภิาลเขาจะไม่มีวันที่จะไม่เลื่อมใสในพระราชนัยใจเลยทำจิตให้เป็นไปพร้อมกับศรัทธาที่มั่นคงมั่นคงมากเลื่อมใสในพระเจ้าว่าธรรมสองตามความเป็นจริง เป็นไปพร้อมกันก็นกคือตอนนั้นมีทั้งเกิดบริบูรณ์หมดเลยนะสัมมาวาจาสัมมากรมตถาสัมมาอาชิวะเป็นศีลเกิดแล้วสัมมาวมามาสมาสติสัมมาสมาธินี่กลุ่มสมาธิสิขาสมาทิฏฐิสมาสังคปะมีปัญญาแล้วก็ยังมีเจตสิกอื่นๆประกอบอีก36มสิบเว้นกรุณามุทิตาไม่เข้า เพาะการูนามุติตาเขามีบัญญัติเป็นอารมณ์ในขณะนี้ก็มีพระนิพานเป็นอารมณ์เหลือสามสิบหกนั้นจิตหนึ่งเจตสิกสามสิบหกจัดเป็นองค์มรรคแปดเอาองค์มรรคแปดออกเหลือเท่าไหร่เหลือยี่สิบแปดนั่นแหละยี่สิบแปดเป็นธรรมที่เกื้อหนุนองค์มรรคสนับสนุนองค์มรรคเขาไม่ได้เป็นมรรคจริงแต่เป็นธรรมที่เกิดร่วมกับมรรค สัมยุญกับมรดเห็นไห ม, มไม่ใช่มีไม่ใช่มีแค่มรดอย่างเดียวใช่มีทั้งเวทนาขันสัญญาขันสังขาร ข, ขันวิญญาณขันยี่สพร้อมจิตอีกหนึ่งเป็น29เก้าเนียเขาเรียกว่ามรดจิตตุบะบาทนี่เกิดขึ้นทีนี้ตัวสักยะทิฏฐิวิจิกิชาสีระพตาปรามาส ตัวสังโยชน์ธรรมชาติที่ผูกสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ออกใจจากว่าจะทุกถูกตัดขาดทันทีเลย 1. นสักยะทิฏฐิธรรมชาติที่เห็นผิดในรูปนามขันธ์หว่าเป็นอัตตาตัวตนละได้ทันทีเลยเมื่อนี้เกิดขึ้นสอง ส, อสีรับประมาศาธรรมชาติที่ยึดถือในการปฏิบัติที่ผิ ด, ผ ด, ผดแบบหลงแบบโง่แบบไม่เข้าใจในาฬิ ก, การปฏิบัติทั้งหลายลก็ถูกละอิ่นเด็ดขาด3วิจิกิจฉาธรรมชาติที่สงสยัยไม่ตกลงใจ ไตวิภากวิจารณ์ในคุณของพุทธธรรมพระธรรมสงค์เป็นต้นในความดีเป็นต้นหลุดไปจากใจดันงดีจะไม่กลับมาเกิดในกระแสของบุคคลที่เข้าถึงโลกุตตะสารณาคมอีกเลยนั้นมักคยานนี้แหละเป็นสารณาคมการถึงสารนคมสําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยการบรรลุอริยสัจธรรมทั้ง4ีในขณะโสดาปฏิมาคุณน่จเนไหมดเนี่ยเหละ ดงนพริจ่าตรัสสรเส ร, ริญบุคคลที่มีศรัทธาในพระาราชนตรัยที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะเห็นแจ้งอริยสัจสีว่าเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันที่บอกว่าญาติศรัทธาตถาคตอจร า, า, าสุปฏิทิตาศีลัญจายัสัยยสกกายานางอริยกันตังประสานสีตังที่บอกว่าศรัทธาของผู้ใดในพระตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวตั้งมั่นด้วยดีศีลของผู้ใดงดงามภาริยะบุคคลพอใจในสรรเส ร, ริญ ความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ความเห็นของผู้ใดตรงผู้รู้กล่าวว่าคู้นั้นเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของเขาไม่เปล่าประโยชน์ฉะนั้นศรัทธาศีลและความเลื่อมใสและการเห็นธรรมผู้มีปัญญาพึงขวขานไถ่เนืองๆระลึกอยู่ซึ่งคําสอนของพุทเจ้าทั้งหลายเป็นต้นเรานี่อันนี้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคำสอนที่กล่าวถึงว่าถ้าพระโสดาบันจะเป็นแบบนี้หนศรัทธาจะมั่นคงในพระตถาคตในพระธรรมในพระรียาสงฆ์ ศีลของเขาจะเป็นศีลที่งดงามเป็นอริยะกันตศีลศีลที่พระอยะบุคคลชื่นชมและค่าความเห็นของเขาจะตรงและความเลื่อมใสในพุทธธรรมประสงค์ความเห็นเขาจะตรงผู้รู้มีพระุทธเจ้าเป็นต้นแต่ว่าเขาผู้นั้นเป็นคนไม่ยากจนเขาได้เข้าถึงอริยทรัพย์เรียบร้อยแล้วอริยทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นเขาจะนี่ชีวิตของเขาไม่เปล่าประโยชน์ ไม่ปล่าประโยชน์เลยเกิดมาก็ได้ได้ประโยชน์แล้วฉะนั้นศรัทธาก็ดีศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมะคือเข้าถึงพระนิพพานผู้มีปัญญาพึงขนขวายนึงเนืองนะแล้วก็ให้มันระลึกถึงหลักการที่พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วดำเนินกระแสชีวิตให้เข้าถึงโลกุตตรสันนิคมโดยเร็วดยโดยโดยฉับพันอย่าลยอย่าลีรออไรอย่างนี้่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่าง้ไ วิธีการที่เคยบอกเขาไว้ที่ว่าอัตตะสัิ ญ, ญาตสารณคมการถึงสารณคมเป็นสารณาด้วยการมอบตนสละตนแด่พระรัตนตรยัยเพื่อการถอนถอนตนออกจากสังสารโลกที่บอกอัชชะอทิกตวาอังพุทธันจะอัตานังนญาเทมิอาาังธรรมมันจะอัตานัญนิยาเทอังสังขสะอัตานังนิยาเทมิอิติมังคาเลธาติ ข้าพเจ้าก็ทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตมอบตนอุทิศถวายเดบุตารูทุกต้องการจะมอบตนเนี่ยถวายมอบกันห้าถวายเดบุตรเจ้ามอบขันห้าถวายแดบุตรธรรมมอบขันห้าถวายเดบุตรสงฆ์คือต้องการถอนตนออกจากทุกออกจากชาติทุกชาลาทุกพยาธิทุกหมดแล้วนะทุกเพราะพุทธธรรมะสังฆะนี่เป็นสภาวะที่ดับกิเลสแล้วว่าจะทุกฉะนั้นข้าพเจ้าต้องการอยากจะถอนตนเอออกจากทุกจริงจริงได้ชี้นี้ไหม นินยาเทนี่ก็คือต้องการถอนตนออกจากชาติทุกชราทุกพยาทิทุกมนาแล้ทุกฉะนั้นต้องการออกแล้วไม่อยู่แล้วนี่เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าสลัตนมอบตนเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าถ้าเป็นมหมากุศลแปลว่าสละตนออก จ, จากกิเลส ก, ลกิเลสลใช่ไหมอากุศนยังไช่แล้วมี มีพุทธธรรมะ ส, สังฆะเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์ก็คือว่าเป็นหลักว่าเราจะดําเนินตามเราจะดําเนินตามในที่เราระืลึกเนี่ยไม่ใช่ระลึกเลื่อนลอยพุทธ้าเป็นพระอรหันเราก็จะดำเนินตามธรรมะคือศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นความงามเราก็จะลองก็จะเข้าถึงนั้นแล้วก็สังฆะก็คือออกจากปุถุชนก็สืบความเปัญญะเราไม่จะตามนะเนี่ยเราจะดําเนินตามจริง ๆ, ๆนะอย่างเงีนะ้ยนี่จะถอนตัวแล้ว โดยมีเจตนามีศรัทธามีปัญญาจริงๆนะจะถอนตอนเองออกจากวัฏฏะทุกข์แล้วขอสละอัตภาพเลยขันธ์ห้าให้กับพระพุทธพุทธาธรรมสังค้าไปเลยและจะปิดไม่ให้เวทนาขันธ์ที่อยู่นี้เนะียสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์เนี่ยคืออัุศลละขันธ์เนี่ยจะไม่ไม่ไมให้กระแสชีวิตเป็นอัุศล ถอนตนออกจากอากุศลหมดเลยก็คือว่าเวลาเราปิดตาเสติปิดไม่ให้ราคะไหลเข้าสูส่กระแสชีวิตไม่ใโทสะไม่ให้ราคะโทสะโมหะเข้าใช่ไหมพอราคะโทสะโมหะไหลเข้าปุ๊บเป็นสังขารละขันนี่โลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกใช่ไหมเมื่อสังขารละขันมาวิญญาณลขันเป็นกุศลหรืออกุศล เป็นอกุศลเวทนาขันก yeah. like ็เป <im ็นอกุศลสัญญาขันก็เป็นอกุศลสังขารขันที่เหลือก็เป็นอกุศลการที่ให้อกุศลเกิดขึ้นทั้งเวทนาสัญญาสังขารญานเกิดขึ้นที่เป็นอกุศลชื่อว่าเราไม่ได้สละตนออกจากกิเลสชื่อว่าไม่ได้มอบตนแก่พระพุทธเจ้าชื่อว่าไม่ได้มอบตนแก่พระพุทธเจ้าเรามอบตนให้กับกิเลสสมาน เมื่อมอกตนนี่คืกิเลสมารเราก็จะเจอมัดยุมานคือความตายอภยิสังขารมารคือนําไปสู่วัฏจักแล้วก็ถูกขันธมานเล่นงานเบียดเบียนต้องไปเกิดแก่ไปเจ็บไปตายบ่อยๆแล้วก็จะเจอเทพบุตรมานเล่นงานหลอกล่อเอารูปเสียดสีรถปวดตามาหลอกล่อฉะนั้นเราจึงต้องการถอนตนออกจากกิเลสออกจากอกุศล แล้วก็มามอบตนแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นสมโดยการให้เกิดกุศลยึดโยงกับพุทธธรรมสังฆเป็นอารมณ์แล้วเราจะเดินตามนี้เท่านั้นแล้วอยู่กับพุทธธรรมสังฆจะไม่ให้ราคะโทวสามหะไหลเข้าหยุดขาดถ้าไหลเข้าเวลาใดชื่อว่าไม่ได้มอบตนไม่ได้มอบตนแด่พุทธธรรมสังฆถึงถามว่าเวลาเราสมาทานและตั้งใจเนี่ย เราจะพูดจริงหรือพูดเล่นจริงใช่ไหมถ้าพูดเล่นเล่นมันลังเลไงที่พูดเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงสารณะเดี๋ยวก็ไม่ถึงเนี่ยจะเอายังไงกับชีวิตจะเอาอภิสุจ์ก็เอาไปก็อย่ามาทำท่าสัำทีว่ามาพนนัพนอพระระตตายเข้าไปไหถ้าจดนั่นก็ถอดจีวรออกมาแล้วก็นุ่งผ้า ไปกลับไปทําชั่วอามันให้มันดิ่งลงไปเลยเอาไงดีเดี๋ยวก็สลัดตนเดี๋ยวก็ไม่สละดตนเดี๋ยวก็สลตัต้นเดี๋ยวก็ไม่สลัต้นเนี่ยมันกลายเป็นอะไรอมาลาวิเคปะเลื่นยังกระป๋าไหลอ ย, อยู่นี่จับ อ, อยู่เห็นไหมไม่แน่นอนเลยอย่างเนี้ยเอาไงดีพอทําฟังคำสอนหน่อย เ, อ <laughs> เข้าก็เข้าไม่ถึงเข้าใจยังแล้วเห็นไหมที<อ>ถ้าไม่ขี้แบบนี้มันไม่เห็นไง นี่เรียนเรียนธรรมะเรียนอย่างนี้แหละนี่เขกสละตนนะนินยาเทพอยูแต่เวลาที่ตรงมหาอุสสนจิตรแปดเนี่ยก็ยังเป็นโลกียะใช่แต่ยึดยยงพุทธ ธ, ธรรมสังขะมีพุทธ ธ, ธรรมสังขะเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มก็คือการที่ว่าเราเข้าถึงการที่เราเข้าไปหา<ต>เข้าไปใกล้เราเข้าไปใกล้ ใกล้จริงๆนะยึดโยงท่านเป็นอารมณ์แล้วเมื่อยึดโยงท่านเป็นอารมณ์แล้วก็ศึกษาปัญญายานของท่านศึกษาหลักการของท่านคือธรรมะแล้วก็ดูมูล อ, อริยสมของท่านแล้วพอยึดโยงใกล้ไปเสร็จเราเดินตามเดินตามฝึกตามทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาในที่จริงจะประชุมก็ถึงโลกคุตาณตาคดีเพื่อเข้าให้ถึงใช่โลกุตระสานาคของนั้นเราไม่เราเร า, เราจะไม่ปล่อยให้ขาด คือเราเราล็อกแล้วล็อกไว้แล้วล็อกพระรัตนตรัยล็อกเป้าแล้วเดินไปให้ดูไปจนถึงมะใช่ไม่ใช่ว่าไม่ล็อกจริงไงตรงนี้มันเป็นปัญหาคือเราไม่ไม่มั่นคงพอเจอปัญหาปุ๊บหลุดให้เป้าหลุดให้เป้าหลุดเลยนั้นต้องล็อกเป้าเลยนะต้องล็อกมีเรดาร์ก็ล็อกเป้าปึ๊กเลยนียล็อกพระรัตนตายไปไหนพระพุทธเจ้าไปไหนพระธรรมไปไหนพระสงฆ์ไปไหนไปด้วยไม่ปล่อยให้หลุดไม่เผลอ เป็นอย่างนั้นจริงไหมชีวิตที่ผ่านมาไม่ใช่ต้นเกิดมาล็อกนี่เออเนี่ยการอย่างเงี้ยอะลรล็อกเป่ามีเปน็นนาร้องก็คือแต่ก่อนมันล็อกจับไม่ติดเฮ้ยจับี่มจับไม่ได้แต่ล็อกปึ๊กเลยแด่ล็อกนะไม่ให้หลุดเลยนะนห้ามเผลอเด็ดขาดนั้นอาจจะมีอะไรเข้ามาวกแวกบางต้องไม่นสนใจเวลาใครมาเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุด เดี๋ยวพาจะนัดใจหลุดไม่เอาไม่เอาไม่สอนไม่สนไม่สนเนี่ยล็อกเป้าไว้แล้วตามตามตามตามตามให้ถึงเพราะถึงพุทธธรรมะสังค่าปุ๊ก็ถึงตรงนี้นี่คือถึงตอนนี้พอล็อกปาก็เดินตามเลยเดินตามเดินตามให้ถึงเลยปึ๊บเข้าถึงเลยโอเคเนี่ยให้ชัดอย่างนี้โอ้หมดภาระ เห็นฉันเต็นคำอยู่เป็ทำนับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไออะอัตตาหนังนิยาเทียนนี่นตรงนี้คือว่าท่านใช้คาว่าอัตตาสัญญาตาสารณะคมการถึงระรตนไตรโดยการมอบตนสละตนแดดสารณะระรตนาไตรเพื่อการถอนตนเองออกจากสังสารทุป นิญญาเทนี้ก็คือทุก ง, งานถอนตอนเองออกจากชาติทุกข์ถอนตอนเองออกจากชราทุกข์พยาทิ่ทุกข์มรณล้วนะถอถอนตอนเองออกความโศกความร่ำไรนําพันไม่สบายใจมาสบายใจความกับแกนใจนั้นแต่ก่อนเนี่ยเราเป้าเราไปทั่วม่วหมดเดี๋ยวเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องเอาทรัพย์เป็นที่พึ่งไปทั่วเลยแต่ตอนนี้เราเอ้ยเราได้ที่พึ่งกานประเสริฐแล้วพุทธธรรมสังฆะแล้วเป็นอารมณ์ไม่ปล่อยเลย ปล่อยไม่เน้นอะไรพูดขนาดนี้ยังสงสัยเลยสงสัยว่าพุทธธรรมสังฆานี่ไม่เป็นสารณะที่แท้จริงหนึ่งไม่ดีจริงหสงสัยใครไม่ดีจริงเอาต่อไปตับปรายนะสาราณะคมอันนี้ก็คือการถึงสารณะคมด้วยการเป็นผู้มีพระรัตนะไตรเป็นไปในเบื้องหน้าอันนี้เป็น เป็นหลักในการนําชีวิตนะ <c oughs> อชชาอาติงกตาวาหังพุทธ ส, สัต ป, ปรายโนโหมิอหังธรรมสัต ป, ปรายโนโหมีหังสังคสัต ป, ปรายโนโหมีอติมังคาเลธาติท้าวเจ้ากระําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ่งชีวิเป็นผู้มีพระทเจ้าเป็นไปในเบื้องหน้ามีพระธรรมเป็นไปในเบื้องหน้ามีพระสงฆ์เป็นไปในเบื้องหน้าขอท่านโปรดจําเจ้าอย่นี พุทธธรรมสังฆะก็คือตปะตประริยานาสารนคมเน่อตรงนี้เป็นหลักที่แ ท, ท้จริงไม่ต่างกนะันนะเป็นหลักนําชีวิตก็เ ป, เป็นหลักนําชีวิตมีพุทธเป็นหลักนําชีวิตมีธรรมะเป็นหลักนําชีวิตมีสังฆะเป็นหลักนําชีวิตเมื่อกี้สระตนก็จะออกจากทุก เพราะมีสระตนถวายต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเป็นหลักมันย้ําลงมาว่าองคเป็นเห็นเป็นหลักแล้วเราไม่เยอมีอย่างอื่นเป็นหลักในการนําชีวิตแล้วนะัแต่วันนี้เปต้นไไม่มีกิเลสตัณหาเป็นหลักนําชีวิตไม่มีปู่ตายายพ่อแม่เป็นหลักแต่มีเนี่ยเหมือนอละลัยะบอกโสอาหังโสหังเยวะเจริสาม โสอาหารวิจาริสามิคามาคา ม, าามาังบุราณังนัมัสมาโนสัมพุธทธังธรรมัสสาจัสูุธรรมะธรรมัสสะจัสุธรรมะข้าพระเจ้านั้นจะกเที่ยวไปจากบ้านนั้นสู่บ้านนี้จากเมืองนั้นสู่เมืองนี้เพื่อ น, นมัสการความตัดสุ้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธาและการปฏิบัติดีของพระสงฆ์อันนี้หมายถึงอะไ ข้าพระองค์นี้เชื่อมั่นแท้ในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นแท้แท้ในพุทธธรรมสังฆะถ้ามีกิจธุระเที่ยวไปในบ้านน้อยบ้านใหญ่เมืองน้อยเมืองใหญ่ที่ใดก็ดีข้าพระองค์นี้จักผินหน้าจักหันหน้าถวายนำมาสการสมเด็จพระสัมมาสมัาาามพุทธเจ้าจะนมาสการพระธรรมอันประเสริฐประกอบด้วยสาระเกสาร นมัสการพระโมรย์ยโสงซึ่งสามารถเป็นหลักนําพาชีวิตที่จะทําให้ข้าพเจ้าเข้าถึงความดับดั บ, ดบสังสารธาตุุงได้อย่างแท้จริงฉะนั้นถึงจะมีกิจน้อยกิจใหญ่อยู่จะทํากิจใ ด, ดๆก็แล้วแต่ข้าพเจ้าจัไม่ลืมไม่ลืมหลักนี้เลยจะเป็นไปไม่ได้ที่ข้าเจ้าจะไม่นมัสการขึ้นนอกเนอะคือจะไม่เดินตาม ถึงแม้จะมีกิจทุระยังทาอยู่จะไม่เผลอใจปล่อยใจหลุดใจไปในกิจน้อยกิจใหญ่นั้นแต่จะหันหน้าผิงหน้าหันหน้าเพื่อนนมัสการไม่ใช่ไปไหว้มันสวยนะนามัสการก็คือว่านี่นแหละน้อมใจในการที่จะปฏิบัติตามประพฤติตามพุทธธรรมสังฆะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ประเสริฐแท้ พระธรรมก็เป็นธรรมที่ประเสริฐประกอบด้วยแก่นสารศีลสาระสมาธิสารปัญญ า, าสารวิมุตติสาระเพื่อวิมุตติยานัศนาสารและก็มัอเรียสงเพราะว่าจะสามารถตับสังสารและทุกได้อย่างแน่แท้กำยมันจะเอออย่างนี้ไม่ว่าจะไปมีหลักเลยน ะ, ะมีหลักเลยมันค ม, น ม, ม, นมไปไหนได้ทํากิจไหนๆก็แล้วแต่ แต่จะให้ไม่มีพุทธธรรมสังฆะเป็นหลักจะไม่นมัสการพุทธธรรมสังฆะจะไม่หินหน้าเพื่อนนอกนอก้อพระเดจเจ้ากระธรรมโมบายะสมเป็นไม่มีถึงแม้จะมีกิจน้อยกิจใหญ่แปลว่าเหมือนแม่โคปากและเลยียมหญ้าตาชมเรืองดูลูกน้อยจะมากินอาหารไปดูในขณะเดียวกันก็ดูดู เหมือนการทำกิดน้อยกิดใหญ่ขึ้นเหมือนกินยากเพื่อจะเลี้ยงชีพในขณะเดียวกันไม่ปล่อยให้ลูกโคถูกเสือถูกสัตว์ร้ายหรือไปเป็นอันตรายตกเขาตกอะไรเด็ดขาดูเลยไม่ปล่อยให้ศีลสมาธิปัญญาพังไม่ปล่อยให้กิเลสมาจอมตีอย่างเดดขาดน่าต้องแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> จะรักษาลูกน้อยลูกโคลนี่ยังดีอยู่เป็ น, งนไงมั้ย รักษาศีลสมาธิปัญญาจะให้ลูกโคน้อยเนี่ยโ ต, โ, ตโตขึ้นมาโตขึ้นมาตเติบโตขึ้นมาแข็งแรงและปลอดภัย<ต>จะให้ศีลสมาธิปัญญาจเจริญเติบโตขึ้นมาจนประชุมในอริยมารอริยฝนได้ตอนนี้ในน้อยอยู่จะไม่ให้ถูกเสือกินจะไม่ให้ถูกสัตว์ร้ายกินมันโอนกินไปเยอะแล้วเข้าใจไหมเนี่ย อย่างนี้จะได้อ๋อในชัดแล้วน่าต่อไปสิทสภาวูปะคัมนาสระนาคมอันนี้ก็การถึงสถานะคมด้วยการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์อัชชาอาทิงกาตวาหังพุทธสังอันเตวาสิโกโหมิ อหารธรรมสะอันเตวาสิโกโหมีอาหารสรรรสะอันเตวาสิโกโหมีติมังตาเลทตติข้าพเจ้าการทาวันนี้เป็นวันเริ่มเริ่มต้นตราบเท่าชีวิตมอบตนเป็นสิทธิของรู้เดียว้ามอจมอบตนเป็นสิทธิของมาธรรมมอบตนเป็นสิทธิของพระสงฆ์ก็สมบที่จาเข้าเทียมคำว่าอันเตวาสิทธิ์หมายถึงว่าสิทธิสิทธิคืออะไรอาจาริยศาสตร์อันเตสมีเปวสนาสีโรติอันเตวาสี ผู้มีปกติอยู่ใกล้อาจารย์ชื่อว่าอันเตวาศีการเข้าไปเป็นเป็นอันเตวาสิทธิ์ชื่อว่าเข้าไปเป็นศิษย์ประเด็นก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูไหมเป็นบรมครูเราเป็นศิษย์หรือยังเป็นหรือยังเป็นไหมยังเป็นแล้วที่ประกาศพุทธังจรานังกฉามีะ นั่นละเข้าไปเป็นสิทธิ์ของพุทธเจ้าเป็นสิทธิ์ของพระธรรมเป็นสิทธิ์ของพระสงฆ์แปลว่าอะไรเราอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลมีปกติอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือมีปกติอยู่ใกลตอนเนี้อยู่ใกล้ใช่ไหมอ้าในขณะที่อัปุสตรจิตเกิดขึ้นตอนนั้นเชื่ออยู่ใกล้พุทธเจ้าหรืออยู่ไกลอยู่ไกลตอนอัปุสตรจิตเกิดขึ้นแล้วก็ระลึกยึดยองพุทธธรรมสังขาอยู่ หรือปฏิบัติตามพุทธธรรมสังฆาอยู่ในขณะนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้นั่นแหละเป็นสิทธิ์ถ้าหลุดจากกุศลแลจิตที่ยึดยองต่อพระรัตนตรัยไม่รู้ไม่เข้าใจในคนของพระรัน ต, ต, ตนั้นปลายตราดใดตราบนั้นชื่อว่าไม่ได้เป็นสิทธิ์ไม่ได้อยู่ใกล้ดีแท้ข้าพระองค์ได้เห็นพระบรมครูได้เห็นสมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้า ดีแท้ข้าพระ อ, องค์ได้เห็นพระบรมศรีสุคตได้เห็นพระ อ, องค์ผู้ทรงสิริโสภาดีแท้ข้าพระ อ, องค์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นพระ อ, องค์ผู้ทรงแจกจ่ายซึ่งพระธรรมรัตนะนั้นการถึงสารณคมด้วยการเข้าไปเป็นสิทธิ์เข้าไปอยู่ใกล้ทาให้เราได้เห็นพระพุทธเจ้ากันหรอก เห็นนี่ยังเห็นแล้ได้เห็นนี่ยังเห็นพระพุทธเจ้ารี่ยังเห็นยังไงครูเห็นยังไงเห็นพระพุทธเจ้าลองพัฒนาการเห็นพระพุทธเจ้ากครัเห็นยังไงเห็นยังก็ในการดําเนินชีวิตการเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นพระตังแบบของพระพุทธเจ้า ที่จะนำทางว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนจะทําอะไรเดี๋ยวกปล่อยให้ราคาโทรศัพท์โมค่ะเข้ามาครอบงำกระแสชีวิตเราจะทํากิจกรรมใดๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็จะมีพุทธธรรมสังฆเป็นเครื่องนําทางเหมือนเป็นไฟฉายที่สองทางให้เราเดินที่ผูกทางชัดเจนว่าทางสุดโต่งทั้งสองทางไม่ว่าจะเป็นการมาสุขอะไ ในการนุโยกกับอบ า, บ า, านาคิรามาทานโยกไม่ใฝ่ในเหตนทางออกที่เป็นมันชฌิมาปฏิปทานดำเนินเส้นทางนี้ไปจนกว่าจะประชุมอริยมรรคเข้าสู่ลงกุตระนั้นเวลาเราเข้าความเป็นสิทธิ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมปสงค์ะ เ, เราอยู่กัน นี่ต่อไปเรามีปกติอยู่ใกล้อาจารย์รคือพระบรมครูคือพระริยาอยู่ใกล้อาจาณคือพระธรรมอยู่ใกล้อาจารย์คือพระโยโส ร, พร์พอเราอยู่ใกล้ตรงนี้มันปลอดภัยมันปลอดภัยตรงที่เราได้เห็นความตัดรู้ดีของพระริยาพอเราเลึอกอย่างนี้เราก็ปรารถนาว่าเราจะตัดรูด้ถัดเห็นความเป็นธรรมดีของพระธรรมคือสิ่งจะมาที่ปัญญาที่มีความงามทุกระดับ เห็นการประพฤติปฏิบัติดีของมูลรยาศพเรได้อุปถามได้ดึงแลได้เข้าใกล้ได้ได้อุปถามภ์พุทิยถาธรรมประสงค์ก่รดูแได้ปัดกว่าเช็ดถูดูแลทั้งภายนอกได้ประคับประคองได้ให้ท่าอะไรก็แล้วแต่ทุกได้อุปถัรภพธิยาเป็นบุญญาลาภที่เราได้ดูแลได้ได้ประพฤติปฏิบัติได้มีใจนอบน้อมได้เข้าใกล้ได้ขัดเกลา อะไรที่มันเป็นข้อวัดปฏิบัติที่มันไม่ถูกไม่ต้องเราก็ได้มีพระเจ้าคอยอบรมพร่ำสอนให้เดินตามพระธรรมเห็นหม่วยญาสงสาวกที่ท่านมีข้อวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหลักในการที่ทำให้เราได้ เ, เดินตามปฏิบัติเราอยู่ใกล้อาจารย์อย่างนี้นปลอดภัยแต่ก่อนเรามีราคะโทสะโมหะเป็นอาจารย์ตอนนี้เราตัดฐาดกับอาจารย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นแล้วเรามาขอเป็นศิษย์ ของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สมาทานว่าข้าพเจ้าจะขอเป็นสิทธิของพระุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ตลอดกาลตลอดไปตอนนี้ใจของข้าพเจ้ายังเป็นโลทิยะอยู่เป็นกุศลอยู่ข้าพเจ้าจะพัฒนาจากเป็นสิทธิที่ตอนนี้ไม่แน่นอนต่อไปข้าพเจ้าจะมั่นคงแน่แน่นอนแล้วก็จะประชุมลงในโลกุตระให้เข้าใกล้ชิดติดและจะไม่ออกจาก พุทธธรรมะสังขาอีกต่อไปจะเป็นสิทธิทาววอเลยนี่ยมนคงอย่างที่คินี้มนะักรณีนี่แหละก็เลยเข้าถึงความเป็นสิทธิอาการต่อมาคือปานิปาตะสารนคมการถึงไใจสารนคมด้วยการทําความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งอย่งี่อัจชาอาทิงกตวาอะหังอภิวาทนางปัจจุปทานังอัญชลียกรรมมัง พุทธาทีนังยาวตินังวัตถุนังกรโรมิอิติมังธาเดธาติข้าพเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตจากทำการอภิวาต้อนรับอัญชลีกรรมแด่พุทธธรรมะสังฆะอย่างแท้จริงขอท่านโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า ปานิปาตระสารนาของเช่นการแสดงความเคารพอย่างที่พระมายุนอบศีรษะแทบพระยุคนบาทของพระพุทธเจ้าจุมพิษพะบาทใช้มือทั้งสองนวดฟันแล้วก็ประกาศตนเองบอกว่าพระมายุอาหารโพโคธรรมะพรรมโนพระมายุอาหารโพโคธรมะรรมโนบอกว่าข้าแต่พระโคโดมพุทเจ้าข้าพระองค์เป็นพรามชื่อพระมายุ ข้าแต่พระโคดม้ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพรามณชื่อพรามายุพารามทมายุในท่านอายุร้อยกว่าปีสัทธานพูะเดชะก็ไปฟ้าศีรษะ ส, ษสบทิปบาจุมพิจพูพระบาตรพระเดชะนวดแล้วประกาศบอกว่าข้าแต่พระผูเธเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพรามชื่อพรามายุข้าพระเจ้า เป็นครามชื่พระมายุประกาศบอกให้พริุทธเจ้าจำไว้ครับจะประกาศข้าพเจ้าจะอภิวาทำอัญชลีกรรมตอนรับอภิวาแด่พระพุทธเจ้าก็ทำประสง์เท่านั้นทำอย่างแท้จริงทำอย่างจริงใจนอกน้อมแบบเป็นจางข้าะดิษฐ์ถึงไตรสารณคมอย่างแท้จริง มีศรัทธาเลื่อมใสยอย่างมั่นคงมีศรัทธาที่เป็นมูลเป็นต้นเหล่านี้เป็นฐานมีสันตมาธิความเห็นที่ถูกต้องเป็นต้นเลยคือถ้าเคารพสิ่งอื่นก็เป็นเคารพธรรมาแต่เคารพสิ่งนี้เพราะเคารพด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยการเห็นคุณอย่างแท้จริงเราจะใช่ไหมอภิวาสลุกหักทำํทำซําการกราบว่าบูชายอย่างนี้เป็นต้น ดนั้นการที่จะทำให้การมั่นคงในสารณาคมเนะี่ยต้องอาศัยศรัทธาเป็นรากเงาถ้าไม่เชื่อมั่นและถ้าไม่มีปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วนะครับนะครับก็การกระทำถึงสารณาคมนั้นก็จะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่าง ท, าทีนี้การเคารพเนี่ยการเคารพเนี่ยมันมีหลักว่าการเข้าถึงสารณาคมด้วยการปฏิบัติ การเครารพการนอบน้อมที่เรียกว่าธรร ม, มานุธรรมปฏิปทาการประพฤติธรรมตา ม, ตามสมงวรแก่ธรรมะปฏิบัติธรร ม, มตามสมงวรแก่โลบุตรธรรมมรซคนสีสน่นี่พ่านนี่ก็เรีกธรรมานุธรรมปฏิปทาได้แก่การสมาทานถ้าบัปรปชิตเนี่ยนักบวชภิกษุสมเณีนก็คือการไม่ละเมิดสิขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แม้เพียงเล็กน้อย ดำรงสมาธศโดยธรรมะด้วยการถูกต้องดีงานอันนี้ชื่อว่าปาพฤติธรรมตามสมควรเกณฑ์คือเรื่อหัดที่สมบูรณ์ด้วยสรารณะก็คือรักษาสีรักษาบุญสวดต่อสีในทานบูชาพระพุทธไตรัตไตรบำบงมานาบิดาเป็นต้นหลนี้แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในการกระทําอย่างแท้จริงลักษณะการความเคารพที่ไม่เป็นใจสรารณคมนะเช่นปาณิปปาตาก็คือกิริยาที่ ไหว้เคารพมีอยู่สีอย่างญาติปานิปาถาก็คือเช่นกษัตริย์ในสักยาะตระกูลและพญาตฝ่ายเมืองโกรหยะไหว้พระเจ้าด้วยคิดว่าพระเจ้าเป็นญาติเราไม่ได้คิดเป็นพระเจ้าถ้าไหว้ยอย่างเนี้ยไม่เรียกว่าเป็นการเคารพอย่างแท้จริงไม่เป็นอภิวาเท่านั้นพยะ ปาณิปาตาก็คือการน อ, น อ, นอบน้อมพระเจ้าเขาคิดว่าท้าพญาทั้งหลายโยดาเมพบทั้งหลายใครก็พากันสักการะพระเจ้าหากเราไม่พระเจ้าเดี๋ยวอันตรายก็จะเกิดเหตุเรเนี่ยเคารบด้วยความกลัวอย่างเนี้ยไม่เรียกว่าเป็นการถึงสาณะกบหรือเคารพในลักษณะที่บอกว่าอัจริยะ ป, ปาณิปาตาก็คือเคารพว่าเออ พระรัตเจ้าตั้งแต่เมื่อครั้งพระรัตเจ้าเป็นพ่อโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสู้ได้เคยเป็นอาจารย์สอนคนนั้นคนนี้นั้นคนที่เคยเป็นศิษย์สําคัญว่าว่าอาจารย์ธรรมดาม อ, อ ไ, ไม่ได้คิดว่าท่านบุญยิ้มเป็นพระรัตเจา้าลักษณะอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเคารพไม่จัดเป็นไราการถึงอะไรสารณคมเพราะว่าการไหว้ลักษณะเนี้แต่การไหว้เคารพสการะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้น ด้วยคิดพระริจญาเป็นทักษินายะนิปาตาก็คือจัดว่าเป็นไตสัานาคมนะพระริญญานี่เป็นบุคคลที่สมควรรับทักษิณาทานนั้นเลยเป็นการไหว้แบบอย่างยิ่งถ้าไว้ด้วยห็นแก่ลาไวไหว้ด้วยความกลัวนี่เนียไหว้หวังเกียรติยศชื่อเสียงไหว้ไปแค่บนสวนกลางอะไอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ไม่จ๊ เขาไหว้ที่เป็นไหว้เคารพอย่างที่เคารพด้วยนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแล้วมีปัญญารู้และเข้าใจว่าเราไหว้เนี่ยเป็นสนัญลักษณ์บอกว่าเราจะเดินตามหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงพระธรรมที่ทรงวางหลักเขาไว้และหมูออริยสงฆ์ที่ท่านเดินตามพุทธเจ้าจะเข้าถึงพุทธธรรมะสังฆาเป็นสภาวะที่ดับระตทุธธ เราจะดําเนินตามท่านด้วยความรู้ความเข้าใจที่เราไหว้เนี่ยแล้วก็จะดําเนินฝึกตนเองใ ห, เให้เข้าถึงโลภุตระสารนะคมได้อย่างนี้ยอย่างนี้เป็นสราระนะข้าใจยังไทีนี้การถึงสราระคมเนี่ยที่เศร้าหมองมีผลน้อยหนึ่งอายานะการถึงไตราสร า, าระคมโดยปราศจากปัญญาไม่ได้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในคุณของพระเจ้าวา่าธรรมประสงค์ ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจะปฏิบัติอย่างไรในตรัยสัณณโกมนี่เป็นอาญานะอานิสงส์มากหรือน้อยน้อยที่เรียกว่าน้อยเพราะเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่พอมันทําให้ตนเองวนอยู่ในสังสารวัฏไม่ไม่หลุดกิเลสก็ไม่หลุดความเข้าใจก็ผิดสังสยะถือตรัยสัณนโกมได้เครือบแคลนสงสัยเพราะที่เจ้มีจริ้ เพราะทำที่ทงแสดงศีลสมาธิปัญญาสามารถทําให้คนปฏิบัติตามพ้นทุกข์ได้จริงหรือบุคคลที่ปฏิบัติตามเป็นพระอริยะได้จริงหรือไม่เชื่อจริงหรือไม่จริงนั่นลังเลอยู่อย่างนี้สั่งสยะอย่างเนี้ยผลน้อยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการมานับถือพระรเจ้าหรือต่อให้ว่ายต่อให้จัดบ้านจัดห้องพระให้สวยขนาดไหนแต่กลังเลอย่างนี้ยเป็นสัง่งอัสมน้อยที่ มิฉายานะรู้ผิดนับถือตรไยสารณครมโดยเข้าใจว่าเข้าใจยังไงดีเป็นขังถึงสารณครมด้วยการเข้าไปอ้อนวอนร้องขอไม่ทำอะไรแล้วถ้าถึงก็ขอช่วงนี้เรียนอยากจะอยากจะเรียนอยากจะสอบได้ช่วงนี้โรคภัยให้เจ็บเกิด ตรงนี้ครอบครัวเราอยู่บ้านในบ้านเป็นอะไรกันกันรู้ขอให้พระพุทธเจ้าช่วยด้วยให้พระบิดเจ้าเนี่ยได้พบทางออกของชีวิต <c oughs> ขอให้สอบได้อันนี้เป็นมิจฉาญานะรู้ผิดรู้ผิดเข้าใจผิดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ากับพระพรหมกับพระสิวะพระอีศวร นะกอดเลไรต่างเนี่ยหรือพระอัลลอดเนี่ยไม่ตามกันหรอกร้องขอเสร็จแล้วเดีท่านดนบันดาลให้เราเป็นเยอะไหมแบบนี้มีเยอะไหมแบบนีี้ อ, ย, ย, อย่างเนี้ยก็มิจฉาญานะรู้ผิดเข้าใจผิดมิจฉาปวัติอันนี้หนักคนเพราะรู้ผิดแล้วมัน เ, นเอาสิปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาทปฏิบัติแบบไสา ย, ยาศาสตร์เลยเดี๋ยวนี้นู่น ไปเข้าทรงอะไรงนี้หาหมอผีแล้วทํานายทายทักดวงดาวดต่างๆว่าเปคือปฏิบัติผิดหลักกรรมมรรกตากรรมมรรคตาปัญญาขัดหลักเหตุและผลขัดหลักลอยติหลักเหตุผลหลักกรรมหลักผลของกรรมที่จริงแล้วเนี่ย อ, อปลูกมะม่วงมันต้องเป็นมะม่วงอย่างเงี้ยเนี่ยปลูกมะขามเป็นมะขามอย่างเงี้ย เรยหนังสือมันได้ความรู้เนี่ยมันเหตุกับผลมันตรงกันเองหลักเหตุมันขัดหลักเหตุผลเราไปนึกว่ามันมีอะไรที่มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือสิ่งเหตุผลเหล่าเนี้ยมันก็เลยบอกเอ้ยไปปฏิบัติแบบไสยศาสตร์เอาพระเครื่องมาว่าขังแล้วมาคล้องมาตั้งแต่คล้องพระองค์นี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้น พระที่อยู่ในนี้ดอบันาดาลให้เราได้เจอสิ่งที่ดีๆอะไรมากขึ้นกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาประวตัติปฏิบัติผิดประวตัติคือเป็นไปการดําเนินผิดการดําเนินชีวิตผิดจากหลักการที่พระพุทธเจ้าบอกไว้หมดเลยมันก็ลเลือกกันเลยอย่างนีนะ้เหมือนเราถือว่าเวลานี้เลิกดียามดีมองคลดีใช่ไหมเราถืออย่างนั้น ออกจากบ้านเก้าโมงเก้านาทีจะแต่งงานก็ดูเลิกใช่ไหมเลิกแต่งเท่าไหร่มีเลิกไหมตอนแต่งอะ ไ, ไอเนี่ยเลิกแต่งงานเลิกอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่แต่ช่วงนี้วันจันท์วั น, น, วนอาทิตย์การการปฏิบัติแบบนี้มันเป็นการปฏิบัติที่ผิดพระเจ้าบอกว่าถ้ากายกรรมที่เป็นสุดจริตกายกรรมก็เป็นสิทธิโชค วิจิกรรสุจริตวิจีกรรมก็เป็นสิทธิโชคมนโนกรรมสุจริตมนโนกรรมก็เป็นสิทธิโชคถ้าพึ่งประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาทางใจเวลาใดเวลานั้นก็เป็นสิทธิโชคเลิกก็ดียามก็ดีครู่ก็ดีขณะก็ดีใช่ไหมนั้นการกระทําที่ดีณขณะนั้นกรรมที่ทําดีมันเป็นเลิกในตัวมันเองเป็นเลิกที่ดีในตัวมันเองอยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่าพืชกายทุจริตกายกรรมก็เป็นอัปมงคลไม่เป็นสิริโชคแล้วเป็นอัปมงคลวิธีกรรมทุจริตก็เป็นวิธีกรรมที่เป็นอัปมงคลมนโนกรรมที่ทุจริตก็เป็นมนโนกรรมที่เป็นอัปมงคลในขณะที่กระทําทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเวลาใดเวลานั้นเป็นอัปมงคลเลิกก็เสียเลิกในขณะนั้นก็เป็น เลิกที่เสียขณะก็เสียคู่ก็เสียแล้วก็เลิกมันก็เสียในในกรรมที่ทําผิดของคนคนนั้นในขณนะนั้นในตัวมันเองอยู่แล้วดวงดาวบนท้องฟ้าจะมีจะมีประโยชน์อะไรอย่เงยเข้าใจคําว่ามิจฉาพวติอนนาธระก็คือการหนึ่งไตรสนาคมโดยไม่เอเื้อเฟื้อแต่พระราชนาไตรไม่ได้แสดงความเคารพอย่างจริงจังไม่เคารพอย่างแท้จริงไม่อาทร ไม่ได้เป็นถึงพุทธธรรมสังฆะในเวลาใดๆเลยทีนี้คำว่าการที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าความไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยไอ้ทองแท้ในวราตนาตใยคำว่าอาทะระนี่แปลว่าเคารพอย่างแท้จริงเคารพเคารพด้วยความมีความยำเกรงมีความนอบนอบ้อม ก็หมายความว่าสภาพกุศลที่เกิดขึ้นนะถ้าเคารพด้วยอาบุศลเน่ยไม่ไม่ อ, อืดอึ้อเช่นจิตหรือราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นในขณะนั้นะแล้วก็กําลังทําพิธีกรรมเน่ยโถหมดเลยเนะี่ยแต่ตอนนั้นใจเป็นไปด้วยราคะโทสะโมหะมานะที่ถิ่วิจิกายในการนัตกรรมอุตจักลักษณะนั้นชื่อว่าไม่เป็นอานาธราระเป็นไม่เป็นไม่เป็นอาธระแต่เป็นอานาทาระไม่ไม่อื้อึ้อ ไม่อื้อเฟือไม่นอบน้อมไม่เคารพเป็นแท้จริงชัดเจนยังเชัดเจนยังเมื่อวานนี้ถึงพูดเรื่องว่าอุบาสกบาจิกาที่มีปัญญาบางกนไงพิจารณาเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงต่อชีวิตว่าความตายอาจจะถึงเราในยาบทยืนเดินนัง่งนอนใช่ไหมในช่วงยืนเดินช่วงนั่ง่ พอจะเปลี่ยนียาบทเอ๊ะเราเนึกถึงความตายเนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ก่อนถึงค่อยเปลี่ยนียาบทเพราะมันจะตายในียาบทข้างหน้านี้ก็ได้ใช่หไหมยาประมาทจากยืนไปเดินจากเดินไปนั่งจากนั่งไปนอนทุกทุกีย mm hmm. าบทก็มานันสิการและเลึอกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์ในแต่ละียาบทแม้การปฏิบัติอย่างนี้ก็ยังชื่อว่ามีชันทัความ ความรักในการปฏิบัติในการระลึกถึงคุณพุทธาวิริยะแก้วกล้าจิตตะจดจอ่อปัญญารู้เข้าใจในคุณของพุทธิยาแบบมูทุกแบบยังอ่อนอยู่มูทุกยังอ่อนนี่ถือว่าอ่อนนะพุทธิยาบทแต่ิยาบทดีหน้านี่นั่งอยู่นานๆอยเ่ไหมจำไว้หรอนี่อุบาสกบาศกาผู้มีปัญญาบางคนพิจารณาเห็นอันตรายภายัยอันตรายในชีวิต ความตายมาถึงเราในขณะบริโภคอาหารเขี้ยวจับจับจับจับจับยี่สิบคำเฮืนลงไปมันตายได้ดติดหลอดลมตายได้อย่างนั้ น, นเลยว่านาจิการถึงคนของรพระเจ้าไปทำได้นี่ยแต่ละแต่ละคลําคืนหมายถึงคนเขี้ยวนานๆเนอะเพเขี้ยวสองทีคืนแล้วระ ล, ะ ล, ะ ล, ะละึกไงถ้าแสดงว่าจะไม่สติเขาแข็งแรง เนี่ยชันทาวิทยาจิตตาปัญญาในรากาและลึกถึงการเคี่ยวแต่การกืนจะ ก, กินข้าวแต่และครั้งอันนี้เป็นอย่างมัชชิมะแบบปัญกลางแต่ว่าสกไบสิกาบางคนที่มีปัญญาเนี่ยเห็นภัยอันตรายต่อชีวิตว่าความตายอาจจะถึงในขณะหายใจออกในขณะหายใจเข้าความตายอาจจะมาถึงควรเร่งบำเพ็ญกุศลก่อนและลึกถึงคุณของพระราตนทรัยทุกๆกลมหายใจ ลองระลึกดึงลองระลึกดึงหายใจเข้าปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ออกจะตายฉะนั้นควรระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าก่อนจะได้ไม่สักว่าหายใจทิ้งอย่าให้การหายใจของเราเปล่าประโยชน์เลยเราจะมานักสิการตามพระธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าหายใจเข้าหายใจออกโอ้โหแต่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเนี่ยจะทำฉันท่าความรักในการเจริญกุศลให้เต็มที่ จะมีความแกล้วกล้าอาถารประคองกุศลแจิตปกไปจากคุณของพระราชนา้าไตมีจิตจดจ่อในคุณของพระราชนา้าไตมีปัญญารู้เข้าใจในคุณตั้งอยู่ในอัิมาตธรรมไม่ประมาทไม่ได้หลงลืมสติทำจนเป็นวสีชำนาในการระเล็ดถึงคุณของพระราชนา้าไตถ้าลักษณะนี้เขาเรียวกว่ามีฉันทะวิรยิยะจิตต์อย่างยิ่งเป็นวิมังสาอันนี้เป็นยิ่งตั้งอยู่ในอัปมาตธรรมนี้เขาเรียกไม่ประมาท ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือเป็นแบบนี้เราควรเป็นอุบาสกอุบาสิกาประเภทไหนควรเป็นพุทธบริษัทประเภทไหนประเภทไหนเนี่ยเลยแต่ตอนนี้ทําได้ยังที่ทําอะทําได้ประเภทไหนอันตรายอันตรายเว้ยเนี่ยลักษณะ น, นี้พอเข้าใจเรื่องสาระาคมอย่างนี้มันจะชัด อยากให้พวกเราเข้าใจอแบบนี้แหละจะได้ชัดเจนในคุณของพระระัตนตรัยแล้วก็ไม่หวั่นไหวถ้าจัดความเศร้าหมองเหงื่อใจเหงื่อต้องรีบชําระถ้ารู้ว่าตอนไหนศาสนาคมเราเศร้าหมองต้องรีบชําระต้องรีบสมาทานต้องรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าให้บอกอย่าปล่อยน่นช้าเดี๋ตายอย่างเป็นคนมีศาสนาคมที่อ่อนแอแล้วจะเสียชาติเกิดถึงใช่ไหละ Thank you.